ในธรรมสวาคาโตภกวตาธรรมโมธัมมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัส ด, ดีแล้วสั้นดิธิโกอันภูปฏิบัติภูได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโก ไม่ประกอบเรืยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปันญิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตังเวริตาโบวินยูหิอันวินยูคือผู้รู้เพิ่งรู้เฉพาะตน พระพุทธเจ้าผู้ทรงจำแนกแจกธรรมได้ทรงจำแนกแจกธรรมไว้ดีแล้วตรัดไว้ดีแล้วลังบทพระธรรมคุณว่าสวากาโตรภกวตาธรรมโมนั่นก็ได้ทรงจำแนกรัดบอกไว้ใน กายอันยาวาหนึ่งมีสัญญาความจำหมายมีใจครองของทุกทุกคนนี้เองได้ตรัด บ, บอกจัดจำแนกไว้ก็ภายในกายดังที่กล่าวมานี้ เพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมริรพุทธเจ้าทรงแสดงอันเป็นสัจจะคือความจริงซึ่งเป็นธรรมดาก่อนน้อมเข้ามาในกายมีสัญญามีใจของตนเอง ือเรียกสั้นว่าที่กายใจนี้ของทุกๆคนนี้เองก็จะพบว่าเป็นสัจจะคือเป็นความจริงตามที่ทรงสั่งสอนทรงสั่งสอนว่าข้อนี้ทุกก็อยู่ที่กายใจนี้ ข้อนี้เป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็อยู่ที่กายใจนี้ข้อนี้ทุกขนิโรธดับทุกข์ก็อยู่ที่กายใจนี้ข้อนี้เป็นมัตคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็อยู่ที่กายใจนี้เมื่อดูเข้ามาที่กายใจนี้ ก็จะพบว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นี่เป็นนิโรธความดับทุกข์นี้เป็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เพราะฉะนั้นทุกคนจึงสามารถฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจได้ เพราะธรรมะที่ทรงแสดงก็คือตัวธรรมดาที่เป็นความจริงและก็เป็นธรรมดาและความจริงที่กายใจนี้ของตนเองแต่วิธีอธิบายแสดงของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่ามีปริยายคือทางที่แสดง เป็นอันมากตามควรแก่จริตอัธยาศัยของผู้ฟังผู้ฟังที่มีปกติรักสวยรักงามของร่างกายที่เรียกว่ามีตัณหาจริตอย่างหยาบก็ท่งแสดงสั่งสอน ให้ทำสติหรือตั้งสติคือกำหนดใจพิจารณากายให้รู้จักกายรวมเข้าก็คือว่าให้รู้จักว่าเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับเพื่อที่จะได้ละตัณหาจริตอย่างหยาบของตนได้ บุคคลที่มีปกติไม่ติดในกายมากนักแต่ยังติดในเวทนาคือต้องการให้มีความสุขกายสุขใจเป็นสำคัญแม้ว่าร่างกายจะไม่สวยสดงดงาม จะไม่ตกแต่งให้สวยสดงดงามก็ไม่เป็นไรขอให้มีความสุขสบายกายสบายใจก็แล้วกันเรียกว่าเป็นทัญหาจริตอย่างละเอียดพระองค์ก็ตรัสสอนให้ทาส ต, ติกําหนดพิจารณาเวทนาสุขทุกข ไม่สุขไม่ทุกข์ที่บังเกิดขึ้นว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับเช่นเดียวกันเพื่อที่จะได้ละตัณหาจะดิตอย่างละเอียดเสียบุคคลที่ไม่ติดในกายมากลักไม่ติดในเวทนามากลักแต่ว่ายังติดในจิตใจ คือต้องการที่จะให้จิตใจได้พบกับสิ่งที่ต้องการเพราะจิตใจนี้ยอมมีความต้องการอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็ไม่คำนึงถึงสวยงามทางร่างกายไม่คำนึงถึงสุขทุกทางกายทางใจ มารักมุ่งที่จะให้สำเร็จตามที่ใจปรารถนาเป็นที่ตังแม้ว่าจะต้องสกปรกทางร่างกายจะต้องเป็นทุกข์ทางกายท้งใจอย่างไรก็ไม่ว่ามุ่งให้ได้ดังใจเป็นที่ตัง ก็ตรัสสอนให้ทำสติกำหนดพิจารณาจิตบุคคลจาพวกนี้เรียกว่าเป็นทิฏฐิจริตย่างอยากเมื่อทำสติกำหนดพิจารณาจิตให้รู้จิตที่เป็นไปอยู่เป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างคือปรัถนาอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างรวมเข้าก็คือว่า เป็นสิ่งที่เกิดดับเช่นเดียวกันมันจะทำให้ละพิธิจริตอย่างอยากนี้ได้ส่วนบางคนนั่นก็ไม่ติดทางกายทางเวทนาหรือทางจิตใจเรื่องกล่าวมากนักกว่าติดอยู่ในเรื่องของจิตคือต้องการให้ ได้อารมณ์คือเรื่องที่ชอบที่ปรารถนาเป็นสำคัญมุ่งเรื่องเป็นที่ตั้งเมื่อเป็นดังนี้ก็ตรัสสอนให้พิจารณาธรรมะคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในจิตบุคคลจ่อมพงนี้เรียกว่ามีทิฏฐิจริตอย่างละเอียดเมื่อ ทำสติกำหนดพิจารณาธรรมะคือเรื่องในจิตก็ยำจะละคิฐิอย่างละเอียดนี้ได้บุคคลในโลกยังมีจริตกันอยู่ดังที่กล่าวมานี้และทุกคนก็อาจจะมีกันอยู่ทั้งสี่ข้ออาจจะแตกต่างกันว่ามีข้อไหนมากขอน้อนน้อยแต่ก็มีในกันทั้งหมดเพราะฉะนั้น เมื่อปฏิบัติตามสติปัฏฐานทั้งสี่คือตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมย่อมจะละจริตอัธยาศัยดังที่กล่าวนั้นได้มาเป็นภูที่มีจิตปราศจากรจริตที่เป็นกิเลสต่างๆ จึงเป็นจิต ท, ที่บริสุทธิ์และพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรงสอนสติปัฏฐานมาโดยลำดับตามหมดต่างๆในพระสูตรใหญ่ของสติปัฏฐานที่เรียกว่ามหาสติปนนัฏฐานสูตร ที่ได้แสดงมาโดยลําดับมาถึงขั้นที่จิตบริสุทธิ์จากจริตต่างๆทั้งที่เป็นส่วนหยาบทั้งที่สุดเป็นส่วนละเอียดสมควรที่จะทรงแสดงสัจจะคือความจริงที่เป็นความจริงอย่างยิ่งจึงได้ตรัสแสดงให้ รู้จักทุกรู้จักเหตุเกิดทุกรู้จักความดับทุกขรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกซึ่งกระวมอยู่ในข้อสุดท้ายของโมสติปฐานทั้งสี่นั่นด้วยและก็ได้ทรงแสดงอย่างชัดเจนว่า อะไรเป็นทุก์เป็นต้นรดฉะนั้นยังได้ตรัสรวมเข้ามาในขันห้าทรงแสดงสัจจะคือความจริงที่เป็นความจริงอย่างยิ่งยึงได้ตรัสแสดงให้รู้จัก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 เพราะฉะนั้นยังได้รัดรวมเข้ามาในขันห้าอาจตนาหกขันห้านั้นก็คือว่าทรงจำแนกแยกอัตภาพคือภาวะที่ยึดถือกันว่าเป็นตัวเราของเรานี่ออกเป็นห้ากอง คือรูปปัจขันธ์กองรูปรูปปัจกายอันนี้เวทนาขันธ์กองเวทนาก็คือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาขันธ์กองสัญญาก็คือความรู้จําหมายต่างๆจํารูปจำเสียงจํากลิ่นจำรสจําผลสภา สิ่งถูกต้องทางกายยำธรรมะคือเรื่องราวทางใจเป็นต้นสังขารนักขันกองสังขารก็คือความคิดปรุงหรือปรุงคิดต่างๆไปในรูปเสียงเป็นต้นดังกล่าวคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดเป็นกลางๆบ้างวิญญาณนักขันกองวิญญาณคือความ รู้ที่เรียกว่าเห็นความรู้ที่เรียกว่าได้ยินความทราบที่เรียกว่าได้สับกลิ่นได้สับรสได้สับสิ่งถูกต้องและความรู้ที่เรียกว่าความรู้ความคิดนั่นแหละทางมันโลคือใจนั่เรียกว่าวิญญาณและได้สัจสอนให้รู้จักอาจตนะทั้งห คือตาอันหมายถึงประสาททางตาที่เห็นรูปได้หูอันหมายถึงประสาททางหูที่ได้ยินเสียงได้จมูกอันหมายถึงประสาททางจมูกที่สับกลิ่นได้ลิ้นที่หมายถึงประสาทลิน้นที่สับรสได้กายหมายถึงประสาทกายที่สับสิ่งถูกตรองได้และมนโนคือใจที่หมายถึง มันสมองที่เกิดกํากับไปมีกํากับไปกับตาหูจมูกเล่นกายและมีลำพังที่เรียกว่าเป็นความคิดความรู้ต่างๆตรัสสอนให้รู้จักพร้อมกับสิ่งที่คู่กันที่ต่อกัน คือรูปที่ต่อกับตาเสียงที่ต่อกับหูกลิ่นที่ต่อกับจมูกรสที่ต่อกับลิน้นสิ่งทุกท่องที่ต่อกับกายธรรมะคือเรื่องราวที่ต่อกับมนคือใจก็เป็นอันว่าตาหูจมูกลิ้นกายและมนุษคือใจเรียกว่าเป็นอาจตนะภายใน อาจตนะแปลว่าที่ต่อเป็นที่ต่อภายในส่วนรูปเสียงกลิ่นรสหดถะผะและธรรมะคือเรื่องราวเรียกว่าเป็นอาจตนะคือที่ต่อภายนอกทั้งสองนี้ย่อมต่อกันอยู่เสมอในทุกๆคนตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นจนถึงหลับไปใหม่ แม่ในขณะที่หลับตัวมนโนที่แปลว่าใจที่ในปัจจุบันท่านมากจะมายเอามันสมองกับธรรมะคือเรื่องราวก็ยังไม่ยอมหลับยังต่อกันอยู่ปรากฏเป็นความฝันหลับสนิทคือไม่ฝันนั่นแหละจึงจะพักคือมนโนกับธรรมะคือเรื่องราวจึงจะพักในมนต์ปกตินั้น มักจะไม่ค่อยพักยังต่อกันอยู่เป็นความฝันฝันที่เป็นความฝันอย่างอยากก็จะแจ้งเตือนึ้นมาจำไายฝันนี้เป็นความฝันอย่างละเอียดไม่จะแจ้งเตือนเข้ขมาก็ลืมหมดจำไม่ได้ลูกพระเจ้าตัดสอนให้รู้จักขันธ์ห้ากับอาจันะ ทั้งหกคือหกคู่เมื่อเรียงเป็นรายข้อก็เป็นสิบสองคือภายในหกภายในหกก็เป็นสิบสองจัดสอนให้รู้จักขันท่าอายตะนะหกี่ที่ตนเองโดยให้มีสติกำหนดดูให้รู้จักที่ตัวเองนี่แหละวันนี้เป็นรูป ขันกองรูปนี่เป็นเวทนาขันกองเวทนานี่เป็นสัญญาขันกองสัญญานี่เป็นสังขารขันกองสังขานี่เป็นวิญญาขันกองวิญญาณนี่เป็นตานี่เป็นรูปที่มาประจวบกันนี่เป็นโอ้นี่เป็นเสียงที่มาประจวบกันนี่เป็นจมูกนี่เป็นกลิ่นที่มาประจวบกันนี่เป็นลิ้นนี่เป็นรสที่มาประจวบกันนี่เป็นกายนี่เป็นโพธะ ่งถูกต้องที่มาประจบกันนี่เป็นมโนโคือใจนี่เป็นธรรมะคือเรื่องราวที่มาประจบกันและโดยเฉพาะขันธ์ห้านั้นสรุปเข้าก็เป็นสองคือรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามคือสี่ข้อข้างหลังเป็นนามนามนั่น อธิบายกันเป็นสองคืออธิบายว่าไม่คีรูปศาสตร์ว่าเป็นนามคือชื่อเรียกนี่เป็นอธิบายสามัญอีกอย่างหนึ่งอธิบายที่ลึกซึ้งเข้ามาวันนามคืออาการที่จิตน้อมออกไปน้อมออกไปรูป้คือ ทุกคนนี่ประกอบด้วยกายส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งกายนั่นเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุประกอบขึ้นในธาตุที่เป็นวัตถุทั้งหลายคือธาตุดินน้ำไฟลมเป็นสิ่งที่มองเห็นได้รือยินได้ทราบกลิ่นทราบรสและทราบถูกตรงได้ แต่ว่าจิตนี่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีรูปดังที่มีพระพุทธภาติตรัดเอาไว้ว่าอาสรีรังไม่มีสรีละโหหาสยังมีครูหาคือถ้ำเป็นที่อาศัยซึ่งพระอาจารย์ได้กแก้ว่าถ้หนีอเป็นที่อาศัยของจิตก็คือร่างกายทั้งหมดนี้ และก็มีความเข้าใจกันมาแต่โบราณเหมือนกันว่าจิตนี้อาศัยอยู่กับหัตถ์ไทยกหัวใจที่เต้นอยู่นี่หัวใจจึงเรียกว่าหัตทยวัตถุแปลว่าหัตที่เป็นวัตถุคือที่ตั้งที่อาศัยของจิตแต่มาในปัจจุบันนี้เข้าใจกันว่าจิตนี้อาศัยอยู่กับสมอง อยู่ในกระโหลกศีรษะและก็สมกับพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่ามีคู่หาคือถ้าเป็นที่อาศัยเพราะว่าถ้มนั้นก็มีลักษณะเป็นโพรโงเข้าไปในภูเขาจากคล้ายๆกับกระโหลกศีรษะนี่ก็มีโพรงที่มันสมองอาศัยอยู่จิตไม่ใช่มันสมองแต่อาศัยอยู่กับมันสมอง แต่ที่เป็นพระพุทธภาษิตเองนั้นไม่ได้ตรัสชี้เอาไว้ว่าจิตอาศัยอยู่ที่ไหนในส่วนของร่างกายอันนี้ตรัสไว้เพียงว่าคูหาสยางมีคูหาคือถ้ำเป็นที่อาศัยแล้วก็มาแปลความมันเองมาอธิบายกันเองในภายหลังหลังพระอาจา ร, รย์ได้ปังก่อนก็อธิบายกันว่าร่างกายทั้งหมดเป็นการกล่าวรวมๆแล้วก็มีบางอาจา ร, รย์ที่ เขาใจว่าอยู่กับหรไทยที่เต้นอยู่นี้ก็น่าพิจารณาเหมือนกันรุในครั้งโบราณ น, นั้นถือเอาสิ่งที่พอจะรู้ได้พอที่จะเข้าใจได้เป็นหลักในการที่จะวินิจฉัยว่าอะไรเป็นอะไรเพราะไทยที่เต้นอยู่นี้ เมื่ออาทัยนี่ยังเต้นอยู่ก็แปลว่าจิตยังอยู่ในร่างกายอันนี้ชีวิตยังอยู่แต่เมื่อหัวใจหยุดเต้นก็แปลว่าจิตนี้ไม่มีอยู่ในร่างกายนี้แล้วกายนี้ก็เป็นศพเพราะฉะนั้นยังเข้าใจกันว่าหัวใจอันนี้เป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่อาศัยของจิตจึงเรียกว่าหาทัยวัตถุอาทัยที่เป็นวัตถุคือเป็นที่ตัง้ง ของจิตก็วินิจัยกันตามที่จะพึ่งรู้ได้ในพระพุทธเจ้าเองไม่ได้ัดชี้เอาไว้ทรงแสดงนนในกล่าวมาข้างตน้นเป็นอันว่าในร่างกายอันนี้มีจิตอยู่ประกอบกายและจิตด้วยกันจึงมีชีวิตอันนี้เป็นหลักสำคัญพระอาจารย์จึงได้แสดงอธิบายไว้กว้างๆว่าคูหา เป็นที่อาศัยจิตก็คือกายทั้งหมดนี้ก็เป็นอันมาสิ้นเรื่องไปไม่ต้องไปชี้ว่าที่ไหนและเมื่อกายและจิตนี้ยังอาศัยกันอยู่ร่างกายอันนี้ก็มีชีวิตและจิตนี้เองในขณะที่อยู่เฉยๆไม่มีอารมณ์ก็เรียกว่าผวังขจิต อำว่บาบังคานั้นแปล ว, ว่าองค์ของภพซึ่งมีความหมายว่าตัวจิตนี้เองยังเป็นตัวองค์ของภพคือของภพชาติซึ่งเป็นวัตตะความเวียนว่ายตายเกิดและเมื่อจิตนี้อยู่เฉยๆไม่มีอารมณ์ก็คงอยู่เป็น องอวัยวะของพบชาติแปลว่าพพชาตินี้ยังดำรงอยู่ยังไม่ตายถ้าไม่มีจิตที่เป็นตัวผวางคะองค์ของพบชาติแล้วร่างกายอันนี้ก็ตายกลายเป็นศพเมื่อยังมีพบมีชาติคือยังมีความเป็นอยู่ยังมีความเกิดยังไม่ดับ ยังไม่ตายชีวิตจึงดำรงอยู่ตนคือจิต น, จนี่เองยังอยู่ในร่างกายอันนี้เป็นตัวพววังคะองค์ของพบของชาติจะ่ทำให้ชีวิตนี้ดำรงอยู่เป็นไปอยู่ไม่มีอารมณ์ก็เป็นพววังคะคราวนี้มันมีอารมณ์้ามากระทบโดยที่ตากับรูปประจบกัน หูกับเสียงประจวบกันดังที่กล่าวมาข้างตน้นเป็นต้นก็แปลว่าเป็นอารมณ์ที่มากระทบจิตก็ออกจากพวาวังคือภาวะที่อยู่เฉยๆนั้นน้อมออกรับรู้อารมณ์อารมณ์นั้นมีพระพุทธาธิบายว่าได้ก่เรื่องที่จิตคิด เรื่องจิตดัมลเรื่องจิตหมกมุ่นคลุนเคิดถึงนี่คืออารมณ์ก็มีหกคือรูปอารมณ์อารมณ์คือรู ป, ป, รรรปก็รูปที่มาประจวบตานั่นแหละสัทตารณมอารมณ์คือเสียงเสียงที่มาประจวบหูนั่นแหละคันตารณมอารมณ์คือกลิน่น ก็คือกลิ่นที่มาประจวบกับจมูกนั่นแหล ะ, ละรักษาลมอารมณ์คือรสก็คือรสที่มาประจวบกับลิ้นนั่นแหละผลตภารลมอารมณ์คือผลพภะก็คือผลพภะที่เิ่งถูกต้องที่มาถูกต้องกับกายประจวบกับกายนั่นแหละธรรมารมณ์อารมณ์คือธรรมะอันแรกันเรื่องเรา ก็เรื่องราวที่มาไปจูบ ก, กมัมโนคือใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงพึงเข้าใจว่าสิ่งที่เข้าสึงจิตนั่นคืออารมณ์ดังที่กล่าวมานี่เพราะจะเอารูปเอาเสียงจริงๆเข้าไปใส่ในจิตนั้นไม่ได้จิตรับได้ก็คืออารมณ์คือเรื่องของรูปเรื่องของเสียงเป็นต้นดังที่กล่าวมานั้น และจิตที่ออกรับอารมณ์นีขั้นที่หนึ่งก็เป็นวิญญาณความรู้อารมณ์ที่เรียกว่าเห็นเรียกว่าได้ยินเรียกว่าได้ทราบเรียกว่าได้รู้ได้คิดดังที่กล่าวมาแล้วขั้นที่สองก็เป็นสัมผัสคือความถูกต้องถึงจิตความกระทบถึงจิตอันหมายถึง อาจตนะภายในภายนอกที่คู่กันกับวิญญาณที่เกิดสืบเนื่องกันไปสามอย่างนี้มาประชุมกันก็เป็นสัมผัสกระทบใจเป็นขั้นที่สองขั้นที่สามก็เว้นเป็นเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขขั้นที่สี่ก็เป็นสัญญา ความจำหมายคือรู้จำขั้นที่ห้าก็เป็นสังขารคิดปรุงหรือปรุงคิดหรือเรียกชื่อว่าสัญเจตนาความปรุงทางใจขั้นต่อไปก็เป็นตัณหาความดิ่นดนทยานอยากข้อต่อไปก็เป็นวิตรตกคือความตรึก ขั้นต่อไปก็เป็นวิจาณหรือความตรองตัณหานั้นที่เป็นตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็เกิดขึ้นอาศัยความเป็นไปดังที่กล่าวมานี่นี่แหละซึ่งมีพระพุทธภาสิทธิ์ตรัสไว้ว่าตัณหานั้นก็เกิดขึ้นในตากับรูปวิญญาณ สัมผัสเวทนาสัญญาสังขารหรือสังเจตนาตันหาเองปรากฏรูปร่างชัดเป็นตัวตันหาขึเนเอกิกรขั้นนี้แล้วก็เป็นวิตรกวิจารถึงรองไปตามอำนาจของตันหานั้นก็เกิดขึ้นดังกล่าวมานี่นี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อจะตัดสอนให้กำหนดรู้จักทุกข์วัดตัว ขันอาจตนะดังที่กล่าวมานั้นเป็นตัวทุกข์อย่างไรแล้วจึงได้ตรัสสอนให้กาหนดให้รู้จักตัวตัณหาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเกิดขึ้นตามสายดังที่แสดงมาอันนี้ต้องอาศัยสติที่กำหนดให้ว่องไว้ให้ทัน แล้วจึงจะได้ปัญญาที่เป็นตัวรู้เท่าจึงจะรู้จักทุกขสมุทัยเหตุในเกิดทุกข์คือตัวตัณหาในปัจจุบันเป็นปัจจุบันธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนต่อไปนี้ขอขอให้ตั้งใจฟังสวดตั้งใจทั้งความสงบสืบต่อไป